วันนี้เป็นวันพุทธที่20ธันวาคมพุทธศักราช2566เป็นวันธรรมสวรนระวันพระวันฟังธรรมวันที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติหรือทรงกาหนด ให้สาธุรนพุทธบรยษัทให้หยุดการทำงานทำการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองเพื่อมาทำงานทำมาทางานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองของจิตใจไม่ใช่ของร่างกายเพราะชีวิตของเรานี้มีอยู่สองคนด้วยกันคนหนึ่งคือร่างกาย อีกคนหนึ่งคือใจเป็นเหมือนแฝดสยา ม, มเป็นแฝดที่อยู่ติดกันร่างกายนี้เป็นคนที่เราเห็นได้ ม, มีรูปร่างหน้าตาส่วนใจนี้เป็นคนที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาแต่มีความสามารถที่ร่างกายไม่มี ใจนี้มีความสามารถในการคิดในการรับรู้เรื่องราวต่างๆร่างกายนี้ไม่มีความสามารถอันนี้ความสามารถของร่างกายมีที่ไที่รับรูปเสียงกลิบรดโพธะะแต่ผู้ที่รู้รูปเสียงกลิบลดโพธะะคือใจ แน่ใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะที่ที่ร่างกายไปรับมามสั่งให้ไปหามาสั่งให้ไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆผู้ที่สั่งคือใจอ ร่างกายเป็นเพียงผู้คอยรับคาสั่งถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับรถยนต์กับคนขับรถรถยนต์นี้เขาไม่รู้ว่าเขาวิ่งไปในทิศทางไหนไปทิศเหนือไปทิศใต้ไปทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกนี่เขาไม่รู้ว่าเขาไปทิศทางไหนเขาไม่มีความสามารถที่จะรู้ผู้ที่รู้และผู้ที่สั่งให้รถยนต์ วิ่งไปตามทิศต่างๆนั่นก็คือใจอ น, นี่คือ <c oughs> ชีวิตของพวกเราประกอบด้วยคนสองคนไม่ใช่คนคนเดียวอย่างที่เราเข้าใจกันเรามักจะคิดว่าร่างกายและใจนี้อยู่ด้วยกันอยู่ที่เดียวกันอยู่เป็นคนหนึ่งคนเดียวกันแต่ความจริงแล้วเป็นคนสองคนที่มา เหมือนกับสามีภรรยาที่มาร่วมทากิจกรรมร่วมกันสร้างครอบครัวขึ้นมาสามีภรรยาถ้าไม่มีสามีหรือมีมีสามีไม่มีภรรยาหรือมีภรรยาไม่มีสามีก็สร้างครอบครัวขึ้นมาไม่ได้มีลูกมีเต้าไม่ได้ฉันใดชีวิตของพวกเรานี่ ถ้ามีมีจิตใจหรือขัดขาดจิตใจหรือขาดร่างกายชีวิตนี้ก็เป็นไปไม่ได้มสมมติว่าถ้ามีจิตใจแต่ไม่มีร่างกาย<ม>จิตใจก็จะเป็นดวงวิญญาณ<ม>ขณะที่จิตใจไม่มีร่างกายเหมือนเป็นโสดเวลาจิตใจอยู่คนเดียวจิตใจจะอยู่ในสภาพของดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณก็อาจจะเป็นได้หลายรูปแบบด้วยกันเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขเราก็เรียกว่าเทวดาอินพรหมถ้าเป็นดวงวิญญาณที่มีความทุกข์เราก็เรียกว่าเปรตอสุรกายหรือนรก<ม>นี่คือในช่วงที่จิตใจไม่มีร่างกายจิตใจก็อยู่ แต่พอมาได้ร่างกายก็มีร่างกายสองอย่างให้เลือกคือร่างกายของมนุษย์และร่างกายของสัตว์เดรัจฉานการที่จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานนี่ก็เพราะได้ไปทําบาปมาในชาติก่อนครทํามหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยการทําบาป เช่นค่าเป็ดค่าไก่ค่าวัวค่าควายทำอาชีพที่ที่มีการที่ทำบากที่เป็นบาปพอตายพอร่างกายของมนุษย์ตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นดวงวิญญาณก็ไปหาร่างกายอันใหม่ แต่บาปจะพาให้ไปหาได้แต่ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานโดยเฉพาะสัตว์ที่ใจไปฆ่าในตอนที่มีร่างกายไปฆ่าเป็ดก็มักจะกลับมาเป็นเป็ดให้เขาฆ่าไปฆ่าไก่ฆ่าวาัวฆ่าควายก็มักจะกลับมาเกิดเป็นวัวเป็นควายให้เขาฆ่าชีวิตจะ เป็นขึ้นมาได้ต้องมีสองคนมาร่วมกันมีร่างกายแล้วก็มีมีใจมาร่วมกันชีวิตถึงจะปรากฏขึ้นมาได้อย่างชีวิตของมเมื่อเล่านี้ก่อนหน้านี้เราไม่มีร่างกายเรามีแต่ดวงใจดวงวิญญาณเราก็ อยู่ในสภาวะที่พ้นจากบาป พ, พ้นจากบุญเราก็จะมาอยู่ในที่ที่มีการตั้งคันของมนุษย์พอมีการตั้งคันขึ้นมาดวงวิญญาณก็จะมาเชื่อมกับร่างกายที่อยู่ในคันทันที응 แล้วพอร่างกายจเจริญเติบโตเต็มที่ก็คลอดออกมามชีวิตก็เริ่มต้น<ม>เริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในคันตั้งแต่มีการเชื่อมต่อกันระหว่าง<ม>ดวงวิญญาณนิจใจ<ม>กับร่างกายที่กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมามทาให้ปรากฏมีการตั้งคันในการจเจริญเติบโต และมีการคลอดออกมาตามลำดับตอนที่คลอดออกมานี้มีทั้งร่างกายและมีทั้งใจคู่กันแล้วเหมือนกับเป็นสามีภรรยากันแล้วแต่ใจก็ยังไม่ได้อยู่ในร่างกายร่างกายกับใจนี้อยู่คนละพบกันอยู่คนละโลกกันร่างกายนี้อยู่ในโลกกระถา โลกที่เราที่ร่างกายอยู่ในขณะ น, นี้เรียกว่าโลกธาตุเพราะมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟดินที่เราเหยียบนี่น้ำที่เราว่ายกันนี้ลมที่เราหายใจเข้าหายใจออกไฟก็คือความร้อนอันนี้เมื่อมันมาผสมกันมันก็ทำให้เกิด สิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาได้เช่นมีต้นไม้มีหญ้ามีอะไรต่างๆมีร่างกายของมนุษย์มีร่างกายของสัตว์เดรัจฉานแต่การที่จะมีร่างกายของสัตว์เดรัจฉานและดำเนินต่อไปดำเนินให้ให้เป็นชีวิตขึ้นมาได้นี้นอกจากมีร่างกายคือธาตุสี่ร่างกายทามาจากธาตุสี่ ทำมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็ต้องมีใจที่เป็นธาตุรู้มาเชื่อมต่อกันชีวิตถึงจะปรากฏขึ้นมาได้อย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ขณะนี้เรามีร่างกายที่ทำมาจากธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วเราก็มีใจผู้รู้ผู้คิดมาเชื่อมมา มาเชื่อมต่อเหมือนกับเวลาที่เราเอาเอาสายไฟนี้ไปเสียบปลั๊กเ<ม>ชื่อมต่อกันแบบเสียบปลั๊กมไม่ได้อยู่ร่วมกันใจไม่ได้อยู่ในร่างกาย<ม>ใจมีสายที่มาเชื่อมเชื่อมต่อที่ตาหูจมูกลิ้นกาย<ม>เรียกว่ากระแสการรับรู้การรับรู้รูปเสียงกดลิ่นรสผดผพามีชื่อว่าวิญญาณ วิญญาณนี้จะมาเชื่อมที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กาย mm hmm. แล้วพอรูปเสียงกลิ่นลดมาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกาย mm hmm. ใจก็จะรู้ทันทีว่าได้เห็นรูปได้ยินเสียง mm hmm. นั่งกายไม่รู้เรื่องอะไรทั้งตั้ง mm hmm. นั่งกายไม่มีความสามารถรู้ว่ากำลังเห็นรูปเสียงกลิ่นลดใจอย่างใดเพียง mm hmm. แต่เป็นผู้รับ ไปเหมือนเครื่องรับโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้เวลามีคนโทรเข้าเครื่องนี้เครื่องมันไม่รู้ว่าว่าใครโทรเข้ามาเพียงแต่รู้ว่าเพียงแต่มีทาหน้าที่ส่งสัญญาณให้ผู้ให้เจ้าของเครื่องรู้ว่าตอนนี้มีสัญญาณมีสัญญาณเข้ามาแล้วมีคนโทรเข้ามาแล้วมันก็จะส่งเสียงดัง รู้สั่นตามแล้วแต่เราจะสั่งให้มันทำหน้าที่อย่างใดอย่างนึมั น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเพียงแต่ผู้รับคำสั่งรับทำหน้าที่เท่านั้นเองแต่ตัวมันไม่รู้ว่าใครโทรเข้ามาเป็นหญิงเป็นชายไม่ไมีมันไม่รู้หรือส่งข้อมูลอะไรเข้ามามันไม่รู้โทรศัพท์ไม่มีความสามารถที่จะรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ผู้ที่รู้ก็คือคนใช้เครื่องนั่นนหะ รู้ว่าตอนนี้มีเสียงโทรเข้ามาเป็นหญิงหรือเป็นชายหรือส่งข้อมูลเป็นภาพหรือเป็นเสียงเข้ามาคนที่ใช้เครื่องนะเป็นคนที่รู้แต่เครื่องไม่รู้ว่ามันทำอะไรมันเพียงแต่มีหน้าที่ทำตามคาสั่งมันก็ทำไปตามหน้าที่ของมันเท่านั้นร่างกายมันก็ไม่รู้ว่ามันเห็นรูปได้ยินเสียงได้สัมผัสกับ ก, บกลิ่นรสหรือผดธพะ มันเพียงแต่ทำหน้าที่ของมันไปแล้วมันก็รอรับคำสั่งจากใจผู้รู้ผู้รู้ว่ากำลังได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสแบบไหนเพราะเวลาใจรู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่สัมผัสเป็นแบบไหนมันก็จะเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้ารู้ว่าได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรส ผลิตภัที่ชอบที่ดีก็จะเกิดความสุขความรู้สึกสุขขึ้นมา ท, าทันทีถ้าเป็นสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัที่ไม่ชอบที่ไม่ดีก็จะเกิดทุกขเวทนาความรู้สึกทุกขขึ้นมาทันที <S S <Led. S 2> ความรู้สึก <Led. S 2> <Led. S 2> การรับรู้ความรู้สึกการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรส การรู้สิ่งเหล่านี้คือใจเป็นผู้รู้ร่างกายไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิน้นนี่คือพูดเปรียบเทียบให้ฟังว่าชีวิตของเรานี้ไม่ได้มีแต่ร่างกายเพียงอย่างเดียวเราเห็นร่างกายเพราะร่างกายเป็นธาตุรรมาจากธาตุเหมือนต้นไม้เหมือนกุฏิเหมือนอะไรมันเป็นของที่เป็นจับต้องได้มองเห็นได้ด้วยตา แต่ใจนี้เป็นธาตุรู้มันไม่มีมันเป็นธาตุรู้ที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาจะรู้จักใจนี้ยากถ้าไม่ได้ไปเรียนกับคนที่รู้อย่างพระพุทธเจ้ารือพระอานันตสาวกแม้แต่หมอที่เรียนแพทย์เรียนวิชาจบด็อกเตอร์จบปริญญาเอกมาก็ตามก็ไม่รู้ว่าใจเป็นเป็นใครเป็นอะไร ก็คิดว่าใจกับร่างกายเป็นอันเดียวกันคิดว่าร่างกายนี้มีความสามารถที่จะรู้และที่จะคิดได้อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มไม่มีหมอหรือใครพิสูจน์ได้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่เพียงแต่สันนิฐานกันเอาว่ากันไปเท่านั้นแต่ความจริงแล้วผู้ที่ไปพิสูจน์ไปค้นหาความจริงนี้จะค้นพบว่า ร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกันเพียงแต่ว่ามาร่วมกันทําหน้าที่ให้ชีวิตของมนุษย์นี้เป็นไปได้และดำเนินไปได้เท่านั้นเองเมื่อเช่นนั้นเมื่อไม่รู้ว่าใจกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันเป็นคนละคนกันและไม่รู้ว่า ความต้องการของใจกับความต้องการของร่างกายนี้ไม่เหมือนกันก็เลยทำให้ไม่ได้ดูแลใจก็ดูแลเพียงแต่ร่างกายเพราะรู้จักร่างกายดีกว่ารู้จักใจรู้ว่าร่างกายนี้ต้องการอะไรถึงจะอยู่ได้ในร่างกายนี้ต้องการอะไรถึงจะอยู่ได้ต้องการอาหาร ต้องกินทุกวันถ้าไม่กินแล้วมันจ ะ, สะแสดงอาการผิวขึ้นมาสแสดงอาการเจ็บขึ้นมาก็ต้องเยียวยาด้วยการหาอาหารหาน้ามาให้มันดึ่นี่คือความต้องการของร่างกายมีอยู่สี่อย่างด้วยกันเรียกว่าปัจจัยสี่ต้องการอาหารน้ําเครื่องดื่มอะไรต่างๆนี่แล้วก็ต้องการเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ร่างกายของมนุษย์นี้ไม่เหมือนร่างกายของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี้เขาไม่ต้องมีเสื้อผ้าเขาอยู่ได้แต่ร่างกายของมนุษย์นี้ถ้าไม่มีเสื้อผ้านี่จะอยู่ยากและอาจจะอยู่อย่างไม่ปลอดภัยจึงต้องมีเสื้อผ้าไว้พุ่มห่อร่างกายเพื่อป้องกันความหนาวเย็นต่าง หรือป้องกันภัยจากมแมลงสัตว์กัดต่อยที่<ม>อาจจะเข้ามากัดมาทำให้ร่างกายเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้<ม>นี่คือความต้องการของร่างกายที่เรารู้กัน<ม>ความต้องการความจะเป็นของร่างกายเรารู้คือปัจจัยส<ม>ี่อาหารเครื่องนุ่งหม่มแล้วก็ที่อยู่อาศัย<ม>เรารู้ว่าถ้าเราไม่มีที่อยู่อาศัยเราจะอยู่ลาบาก อยู่แบบไม่ปลอดภัยฝนฟ้าอากาศบินฟ้าอากาศเกิดตกขึ้นมาก็อาจจะเปียกได้แล้วก็มีภัยต่างๆจากทั้งทั้งมนุษย์และสัตว์ในราชานที่อาจจะมาทำร้ายร่างกายเราในขณะที่เราพักผ่อนหลับนอนก็ได้เราเลยต้องมีที่ปลอดภัยไม่ให้มีอะไรมาทำร้ายร่างกายของเราเราก็เลยต้องมีบ้านมีที่อยู่ อาศัยแล้วเวลาที่ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องหาอยู่้ายามารับประทานนี่คือสิ่งที่เรารู้ว่าสิ่งที่ร่างกายต้องการในการที่จะดำรงชีวิตยอยู่ได้ก็คือต้องมีปัจจัยสี่มีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมี ที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคเวลาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราก็เลยต้องใช้เวลาของเราส่วนใหญ่ไปกับการหาปัจจัยสี่มาการหาปัจจัยสีน่นี้บางทีก็อาจจะต้องใช้เครื่องมือถึงจะหามาได้เครื่องมือก็คือเงินทองนี่ ถ้าเรามีเงินมีทองเราก็สามารถที่จะใช้เงินไปซื้ออาหารมารับประทานซื้อเสื้อผ้ามาสวมใส่ซื้อบ้านหรือเช่าบ้านอยู่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย<ม>ก็มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่างๆ<ม>เราเลยต้องทำมาหากินหาเงินหาทองกันเพื่อการอยู่รอดของร่างกาย<ม><ม>เราก็รู้เพลงเท่านี้ แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าไอ้ร่างกายที่ตัวที่ที่เป็นผู้รู้ผู้คิดเนี่ยมันต้องการอะไรเราไม่รู้กันเลยเราไม่เคยคิดว่าร่างกายอาใจนี้มันก็เป็นเหมือนร่างกายมันก็ต้องการปัจจัยสี่เหมือนกับร่างกายเหมือนกันแต่เราไม่รู้กันเราก็เมื่อเลยไม่ค่อยได้รู้ว่าร่างใจนี้เป็นยังไงร่างกายเราเราดูแลอย่างดีทุกวันนี้ร่างกายเราไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ หิวก็มีข้าวกินฝนตกแดดออกก็มีที่หลบแดดหลบฝนมีเสื้อผ้าใส่เวลาไปไหนมาไหนปลอดภัยแล้วก็ไม่ไม่อุจจาตาเพราะมนุษย์ไม่ได้เป็นสัตว์เดราชฉานมนุษย์เป็นสัตว์ที่ที่เจริญกว่าสัตว์เดรัจฉานรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรมนุษย์นี้เรารู้ว่าเราไม่ควรที่จะเปิดเผย เอาไว้ที่ไม่ควรที่จะเปิดเผยกันเป็นของที่เราต้องรู้จักสมุนเอาไว้อันนี้มนุษย์เราต้องมีเสื้อผ้าไว้สวมใส่แล้วก็มีที่อยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล นี่คือความต้องการของร่างกายแต่เราไม่รู้ว่าใจก็มีความต้องการเหมือนกันในการที่ใจของเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายถ้าเรามัวแต่ดูแลร่างกายเพียงอย่างเดียวมัวแต่ดูแลหาหาปัจจัยสี่มาให้กับร่างกายเพียงอย่างเดียวใจของเรานี้จะไม่ได้มีการได้รับการดูแลเลย คือร่างกายเราสบายแต่ส่วนใหญ่นี้ร่างใจของเราไม่สบายเหมือนกับร่างกายใจของเรามักจะมีความไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆมีวันไหนบ้างที่มีความไม่สบายใจที่ไม่มีความไม่สบายใจไม่มีหรอกเพียงแต่ว่ามีมากมีน้อยเท่านั้นคือความไม่สบายใจไม่สบายใจกับเรื่องนั้นก็ไม่สบายใจกับเรื่องนี้ไม่สบายใจกับคนนั้นก็ไม่สบายใจกับคนนี้ มันมีเรื่องให้ไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆนวเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายก็มีความไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆเวลาเห็นร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่สบายใจเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็เกิดความไม่สบายใจความไม่สบายใจเหล่านี้เป็นเรื่องเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีการดูแลจิตใจเท่าเทียมกับการที่เราดูแลร่างกาย เราไม่รู้จักวิธีดูแลจิตใจของเราคนในโลกนี้ถ้าไม่ได้มีศาสนาไม่มีพระพุทธศาสนามาสั่งมาสอนนี้จะไม่รู้จักวิธีดูแลจิตใจของเราดูอย่างประเทศที่ร่ำรวยเป็นมหาประเทศมหาอำนาจมีเงินมีทองมากมายมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากมาย แต่คนกับมีแต่ความเครียดกันมีแต่ความทุกข์กันมีแต่ความไม่สบายใจ <S <s เพราะเขารู้วิธีการเลี้ยงดูร่างกายท่านดูแลร่างกายแต่เขาไม่รู้จักวิธีดูแลใจของเขาเลย mm. และนอกจากเนื่องจากความไม่รู้ว่าร่างกายต้องการอะไร yeah. เขาก็เลยไปดูแลร่างกายด้วยวิธีผิดเช่ yeah. นเวลาไม่สบายใจทำไงให้ใจสบาย oh. ก็ต้อง หาอะไรมาทําทักอย่างไปดูหนังไปฟังเพลงพอไปดูหนังไปฟังเพลงก็เกิดอาการรู้สึกอาการไม่สบายใจก็หายไปชั่วคราวแต่ไม่หายไปหมดเนี่ยพอหลังจากที่เรากลับมาจากการไปดูหนังฟังเพลงแล้วเดี๋ยวอาการไม่สบายใจต่างๆมันก็กลับมาอีกเราไม่รู้จักวิธีแก้ความไม่สบายใจให้มันหายไปอย่างอย่างสิ้นเชิง เราเพียงแต่รู้จักวิธีกลบความไม่สบายใจไว้ชั่วข่าวเท่านั้นเองแต่พอเราเราหยุดกลบเราหยุดเราหยุดหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอวันไหนที่เราไม่ได้มีโอกาสที่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสตอนนั้นความไม่สบายใจก็เกิดขึ้นอยู่แล้ทั้งๆ ท, ท, ที่ร่างกายก็สุขสบายดี ร่างกายมีครบบริบูรณ์มีปัจจัยสี่มีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคแต่ให้ใจอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าใจไม่มีอะไรมาคอยคอยเสพมาคอยให้ความสุขสิ่งที่เราให้ความสุขกับใจก็คือการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาชนิดต่างๆ ซึ่งการเสบรูปเสียงกฤิรนรสเหล่านี้มันเป็นเหมือนกับการเสบ ย, ยาเสบติดนี่พอเมื่อเสบแล้วมันจะติด เ, เวลาไม่ได้เสบแล้วมันจะง ด, หดเหงื่อสังเกตดูเราเวลาเราดื่มเครื่องดื่มที่เราชอบเนี้ดื่มทุกวันทุกวันนะ่ะแล้วเกิดวันใดเราไม่ได้ดื่มขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปแล้วงดเหงื่อขึ้นมาทั้งทั้ที่ไม่ดื่มร่างกายมันก็ไม่ตาย แต่มันต้องดื่มถึงจะสบายใจเช mm hmm. ่นกาแฟเนี่ยพอใครติด ก, กาแฟเข้ามาเราถึงเลอกดื่มได้ไหมไม่ได้หรอกพอกาแฟหมดก็ต้องไปหาใหม่มา mm hmm. ไปซื้อให ม, ม่มาซื้อแล้วมาตุนเอาไว้ด้วยเพราะรู้ว่าไม่ไม่อยากให้มันหมดพอหมดแล้วมันจะเกิดอาการหงุดหงิดขึ้นเราเราไม่รู้จักวิธีดูแลรักษาใจของเรา mm hmm. ให้อยู่อย่างสบายโดยถูกวิธีเราก็เลยใช้วิธีที่ไม่ถูกวิธีที่ทำให้เกิดความทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกสร้างความไม่สบายใจให้กับใจเพิ่มขึ้นมาอีกโดยไม่รู้สึกตัวด้วยการไปไปแก้ปัญหาของใจไม่ถูกทางแทนที่จะแก้ปัญหาของใจให้ถูกทางกลับไปแก้ปัญหาที่ไม่ถูกทาง แทนที่จะแก้ปัญหากลับไปเพิ่มปัญหาให้เกิดขึ้นมาอีกก็คือเราเอาสิ่งที่มาแก้ปัญหานี้มามันแก้ปัญหาของความไม่สบายใจของเราเราไม่รู้เราไม่สบายใจเพราะอะไรเราก็เลยคิดว่าออออถ้าไปเที่ยวสัาหน่อยบางความไม่สบายใจมันก็จะหายไปมันก็หายจริงๆเวลาไปเที่ยวมันก็หายไปแต่พอเรากลับมาบ้านกลับมาอยู่ที่เก่ามาที่ทาอะไรต่างๆเหมือนเดิม เดี๋ยวความไม่สบายใจมันก็เกิดขึ้นหม่เราก็ต้องไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆอย่าง <c oughs> <t> เช่นตอนนี้กำลังรอวันสิ้นปีใหม่นะได้ไปเที่ยวกันแนละ้วหยุดสี่วันมีใครไม่อยากไปเที่ยวบ้างมีใครอยากจะอยู่เฉยๆบ้างอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมนอกจากพวกบ้าอย่างที่ไปบวชอยู่ตามวัดนะ <t> <t> ที่ไม่ชอบเที่ยวกัน พวกนี้เขาไปเรียนรู้วิธีแก้ความไม่สบายใจที่ถูกต้องที่ถูกทางที่ไม่ต้องใช้ยาเสพติดอย่างเสพไม่ต้องใช้การเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลภภิตภัณพะพวกนี้เขาเขาโชคดีหรือเขามีโอกาสได้พบกับคําสั่งคาสอนของผู้รู้วิธีแก้ความไม่สบายใจของใจที่ถูกวิธีที่ไม่ทำให้เกิดปัญหาตามมา แต่พวกที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะแก้วิธีที่จะเพิ่มปัญหาขึ้นมาเพิ่มความทุกข์ขึ้นมา mm hmm. เพราะไม่รู้ว่าวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องนั้นต้องแก้อย่างไร mm hmm. ก็เลยแก้ไปตามความรู้สึก mm hmm. ถ้าไม่สบายใจอยากจะทำอะไรให้มันสบายใจก็ทำไป mm hmm. ทำแล้วบางทีก็รู้สึกไม่สบายใจหายไปชั่วคราว แต่บางทีทำแล้วเกิดความไม่สบายใจเพิ่มมากขึ้นอีกก็ได้เพราะไม่ได้ทำได้ดังใจที่อยากจะทำอยากจะไปเที่ยวไปจองที่พักก็ไม่มีดิจองตั๋วรถก็ไม่มีจองอะไรก็ไม่มีมันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจเพิ่มมากขึ้นไปอีก <S S S นี่คือสิ่งที่ปัญหาเป็นปัญหาก็คือเนี่ย เราไม่รู้จักว่ า, ร เ, ราเรามีร่างเรามีนอกจากร่างกายแล้วเรามีใจอีกคนหนึ่งที่เราต้องดูแลเหมือนกับเราดูแลร่างกายแต่เราไม่รู้เราก็เลยไม่ได้ดูแลใจและเวลาใจร้องไม่สบายเราก็เอาอยาพิษวิธีแก้คือเอายาเสพติดให้กับใจไปสิลองคิดดูสิถ้าเรามีลูกเนี้ยแล้วเวลามันร้องห่มร้องไห้เราก็เอาอยาบ้าให้มันกินเรายาเสพติดให้มันกิน ตอนมันก็หยุดร้องไปเชื่อข่าวแต่ต่อไปมันก็จะร้องมากขึ้นใหญ่ๆด้วยแล้วถ้าไม่ให้ยาบ้ามันมันยิ่งมันก็ยิ่งร้องขึ้นไปใหญ่พอเอาของที่เป็นเป็นสิ่งเสพติดไปให้ไปแก้ปัญหาแล้วมันมันก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาอีกทีนึงเพราะต้องเสพมันอยู่เรื่อ ย, เ, อยเวลาที่ไม่ได้เสพมันแล้วมันก็จะไม่สบายใจมันก็จะทุกข์ใจอันนี้เป็นสิ่งที่ สังเกตดูกับลูกเราบางทีเรารักลูกลูกอยากจะได้อะไรก็ตามใจมันดูต้องตามใจมันดูเดี๋ยวมันก็อยากได้ของใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้มันก็พานนั่นเองมันก็ร้องห่ม m ร้องไห้ควฟานง่วงขวานงาขึ้นมาต้องการมันจะได้สิ่งที่มันอยากได้มันถึงจะหยุดร้องอันนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาไม่ถูกต้องถ้ามันอยากได้อะไรต้องรู้จักวิธี ต้องรู้จักให้มันห้ามจิตใจห้ามความอยากไม่ใช่ให้ไปทำตามความอยากยิ่งทำตามความอยากความอยากยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นยิ่งฝืนความอยากความอยากก็จะลดน้อยลงไปความอยากลดน้อยลงไปความไม่สบายใจก็ลดน้อยลงไปตามลาดับถ้าฝืนความอยากไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวความอยากมันก็หมดไปเองพอความอยากหมด ความไม่สบายใจที่เกิดจากความอยากมันก็จะหายไปเนี่ยสิ่งที่ทำให้ใจของเราไม่สบายใจก็คือความอยากต่างๆนี่ความอยากเพราะาใจไม่มีความสุขใจเพราะใจขาดในสิ่งที่เราควรที่จะให้เหมือนกับสิ่งที่เราควรจะให้กับร่างกายสิ่งที่ใจต้องการก็เหมือนกับสิ่งที่ร่างกายต้องการร่างกายต้องการปัจจัยสี่ ใจก็ต้องการปัจจัยสี่เหมือนกันใจก็ต้องการอาหารใจก็ต้องการเครื่องนุ่งห่มใจก็ต้องการที่อยู่อาศัยและใจก็ต้องการยารักษาโรคใจเพงแต่ว่าอาหารของใจกับอาหารของร่างกายนี้ไม่เหมือนกันเครื่องนุ่งห่มของร่างกายกับของใจไม่เหมือนกันคนละชนิดกันคนละอย่างกันแต่ถือว่าเป็น อาหารเหมือนกันถือว่าเป็นเครื่องนุ่งห่มเหมือนกันเป็นปัจจัยสี่เหมือนกันปัจจัยสี่ของใจคืออะไรที่จะทําให้ใจอยู่อย่างสุขสบายเหมือนกับร่างกายอยู่อย่างสุขสบายตอนนี้ร่างกายของพวกเราส่วนใหญ่จะอยู่อย่างสุขสบายกันไม่หิวข้าวไม่หิวน้ําเพราะหิวข้าวหิวน้ําก็มีน้ํามีข้าวให้ให้ดืม่มให้รับประทานมีเสื้อผ้าไวส้สวมใส่ปลอดภัย จากอากาศที่กำลังจะหนาวเย็นขึ้นมามีที่อยู่อาศัยแต่ใจของเรานี้เราไม่เคยหาปัจจัยสี่ให้กับใจเลยหรือหาก็หาเพียงเล็กๆน้อยๆตามความตามธรรมเนียตมตา ม, าตามเวลาตามการตามเวลาเท่านั้นเองเวลามีเทศกาลวันสำคัญทีแล้ว เ, เรากำลังหาปัจจัยสี่ให้กับใจโดยเราไม่รู้สึกตัว คือการทําบุญทําทานต่างๆนี้เป็นการให้อาหารกับจิตใจอาหารของร่างกายก็คือกับข้าวกับปลาแต่อาหารของใจนี้ก็คือบุญกุศลการทําบุญทาทานอันนี้เวลาเราทําบุญทําทานแล้วเราใจเราจะรู้สึกอย่างไรรู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมาทันทีเหมือนได้กินอาหารขึ้นมาเวลาใจเราไม่ใจเราหิวอยากได้นู่นอยากได้นี่อย่าไป ทำตามความอยากอย่าไปซื้อของตามความอยากเพราะนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใจอยากได้สิ่งที่ใจอยากได้ว่าคือใจกําลังขาดอาหารขาดบุญขาดกุศลเวลาใจเราหิวอยากได้น่นนี่มันแสดงอาการว่ามันอยากได้อาหารแต่เรากลับไปให้สิ่งที่มันอยากได้ซึ่งเป็นเป็นยาเสพติดมันเห็นอะไรสวยเห็นอะไรชอบมันก็อยากจะได้ขึ้นมา ที่ว่าได้มาแล้วจะทำให้ใจมีความสุขมีความอิ่มมีความพอแต่มันสุขเดียวเดียวอิ่มเดียวเดียวเดี๋ยววันนุ่งขึ้นก็อยากจะไปอยากจะได้ของอื่นต่อแล้ ว, ลวเวลาออกไปเดินไปข้างนอกไปเดินตามห้างร้านต่างๆพอเห็นอะไรไม่ว่าจะเป็นของที่เรามีอยู่เยอะแ ย, ยะแล้วก็ตามเช่นเสื้อผ้าเนี่ยเรามีกี่ชุดกันหรือเฟอือต่อการต้องการของร่างกายแล้วก็ตามแต่พอเห็นเสื้อผ้าเขาจัดมา โชว์ให้เห็นก็อยากจะได้ขึ้นมาทันทีแล้วพออยากแล้วถ้าไม่ได้ก็รู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาอันนั้นแหละแสดงว่าใจเราหิวใจเราขาดอาหารขาดบุญขาดการทาบุญทําทานไม่ใช่ขาดเสื้อผ้า<ม>เสื้อผ้าร่างกายมีกี่ชุดแล้วเสื้อผ้าที่เราจะมาใช้กับร่างกายนี้ไม่มีกี่ชุดแล้วรองเท้ามันมีกี่คู่แล้ว ซื้อมาอีกสิบชุดซื้อมาอีกร้อยชุดมันก็ไม่ได้ทำให้ใจเราอิ่มใจเราพอหรอกเพราะมันไม่ใช่เป็นอาหารของใจสิ่งที่จะทำให้ใจเรามีความอิ่มความพอมีความสุขก็คือการทำบุญทำทานดังนั้นสมมติว่าทุกครั้งที่เราไปออกไปเดินข้างนอกแล้วไปเห็นของเนี่ยเช่นเห็นเสื้อผ้าเห็นรองเท้าเห็นเครื่องประดับเห็นอะไรต่างๆเนี่ยพอเราอยากได้นี่ยแสดงว่าใจเราหิวแล้ว แต่มันหิวแต่สิ่งที่จะทาให้ใจหายหิวไม่ใช่สิ่งที่มันอยากได้สิ่งที่มันอยากได้ไม่ได้ทำให้มันเกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาแต่มันกลับทำให้เกิดความอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปได้วันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะได้ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอแต่ถ้าเราเอาพอเรารู้ว่าใจมันหิวมันอยากได้นู่นได้นี่แสดงว่ามันขาดอาหารขาดบุญเอาเงินไปทาบุญแทน เช่นเห็นรองเท้าคู่หนึ่งอยากจะซื้อขึ้นมาคู่ละพันสองพันเนาะสมมติไม่รู้ราคาเท่าไหร่สมมติสองพันนำเงินสองพันนี้ไปทําบุญนะ mm hmm. พอทําบุญแล้วทีนี้ใจของเราก็จะได้อาหารขึ้นมาจะรู้สึกอิ่มใจสุขใจแล้วความอยากได้รองเท้านั้นมันก็จะหายไปเราเราแทนที่จะหาอาหารมาให้กับใจแล้วก็ไปหารองเท้ามาให้กับใจ ใจมันไม่ต้องการรองเท้าใจมันไม่ต้องการเสื้อผ้าใจมไ ม, ม่มันไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายที่ต้องการรองเท้าต้องการเสื้อผ้าซึ่งเราก็คอยหามาให้มันอยู่อย่างพอเพียงอยู่แล้วมากเกินกว่าที่มันจะใช้ได้เสียด้วยซ้าไปร่างกายมีร่างเดียวแต่เสื้อผ้ามีกี่ชุดกันเวลาเราใช้เสื้อผ้าเราใช้ทีร้อยชุดหรือว่าใช้ทีละชุดใช้ทีละชุดเท่านั้นนะ่ะเลย อ, อ, อ, อีกอีกชุดที่เรามีเหลืออยู่มันก็แขวนอยู่ในตู้นั่นเราไม่ได้เอามาใส่มัหรอกันั้นคําจําเป็นของเสื้อผ้ากับร่างกายนี้อาจจะไม่ต้องมากมีเสียงสองสามชุดนี้ก็อยู่ได้แล้วจะมีชุดหนึ่งไว้ใส่มีชุดหนึ่งไว้ซักมีชุดหนึ่งไว้สํารองเผื่อเวลาเกิดซักแล้วไม่แห้งก็มีชุดสํารองมีสามชุดก็อยู่ได้แล้วพระพุทธเจ้าสอนพระให้มีผ้าสามผืนก็อยู่ได้แล้ว มีผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มสองผืนห่มกันหนาวสองชั้นแล้วก็ห่มธรรมดาหนึ่งมีสามผืนเรียวกวาผ้าไตาพอแล้วสามารถสลับผัดเปลี่ยนกันได้เวลาอาบนา้ำอาบท่าเวลาไปซักก็ซักผืนใดผืนหนึ่งแล้วก็อีกสองผืนก็เอาไว้ใส่ได้มีมากมันไม่ได้ไปทำให้ใจอิ่มใจมีความพอหรอกเพราะมันไม่ใช่เป็นอาหารของใจนะ ปัจจัยสี่มันเป็นอาหารมันเป็ น, เ ป, นเป็นปัจจัยสี่ของร่างกายอย่าซื้อปัจจัยสี่มามาให้กับใจเพราะมันไม่ใช่เป็นปัจจัยสี่ของใจสิ่งที่เป็นปัจจัยสี่ของใจเช่นอาหารก็คือการทำบุญทำทานไม่เชื่อลองทำดูสิลองทำบุญทุกวันดูใส่บาตรทุกวันหรือจะบรยจากให้กับใครก็ได้ทำบุญกับพ่อกับแม่ก็ได้ซื้อข้าวมาให้พ่อแม่กินทุกวัน ทำแล้วมันจะมีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาแล้วความอยากได้นูน่นอยากได้นี่มันจะไม่มีมีก็น้อยถ้าเราทํามากขึ้นบ่อยขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปความอยากได้ของของของใช้ให้ของร่างกายนี้จะมีน้อยมากเพราะเรารู้เนี่ยว่าร่างกายมันก็ไม่จำเป็นจะต้องมีไม่มีมันก็ไม่ตายถ้ามันมีพอเพียงแล้วแต่ถ้าใจเราหิวใจเราอยากเนี่ยเพราะเราไม่ได้ทาบุญกัน มันก็จะทำให้เราอยากได้นู่นอยากได้นี่แล้วคิดว่าซื้อมาแล้วจะทำให้ใจเราอิ่มใจเราพอมันอิ่มเดียวเดียวอิ่มตอนที่จ่ายเงินอ่ะพอจ่ายเงินแล้วโอ้ยโล่งอกสบายใจได้ของที่เราอยากได้มาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยววันนุ่นขึ้นอยากได้อีก้วอยากได้นู่นอยากได้นี่ตังหนะ์นั้นต้องขอให้เราเข้าใจถ้าเราอยากได้สิ่งที่ไม่จำเป็นนะ คือถ้าเราไปอยากได้สิ่งที่มันมีพอเพียงแล้วเช่นร่างกายของเรามีปัจจัยสี่พอเพียงไปแล้วแต่ยังไม่พออยากจะได้เพิ่ ม, มอยากจะได้นู่นได้นี่พัฒนาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆ<ม>เช่นได้บ้านมีบ้านขนาดนี้ก็อยากจะได้บ้านที่ใหญ่กว่านี้หรูกว่านี้ ม, มีเสื้อผ้าก็อยากจะได้เสื้อผ้าที่หรูกว่านี้<ม>อันนี้มันเป็นความหิวของใจแล้ว เป็นการแสดงอาการของใจว่าฉันไม่ฉันหิวนะฉันต้องการอาหารมาเลี้ยงใจให้ใจมันอิ่มแต่แทนที่จะไปหาอาหารมาให้กับใจแล้วก็ไปหาเสื้อผ้ามาให้กับร่างกายซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายมันไม่ได้มันไม่เดือดร้อนอ่ะมันไม่มีมันก็ไม่ตายบ้านมันก็บ้านเก่ามันก็อยู่ได้มันไม่จําเป็นที่ต้องไปสร้างบ้านใหม่หรือไปเปลี่ยนซื้อบ้านใหม่ที่มีราคาแพงกว่าบ้านเก่าหรอก บ้านใหม่บ้านเก่ามันก็ทำหน้าที่เหมือนกันเนยมันก็ใช้เป็นที่หลบแดดหลบฝนได้เหมือนกันเป็นเป็นที่ปลอดภัยสาหรับการหลับนอนเท่านั้นเองแต่เราไม่รู้ว่าเวลาที่เราเกิดความอยากนี่มันเป็นอาการของของใจที่ขาดอาหารอาหารของใจก็คือการทำบุญทําทานเราทำบุญทําทานเท่ากับเราเอาอาหารให้กับร่างกายม อันนึ่งเราเลี้ยงอาหารให้กับร่างกายวันละกี่ครั้งบางทีมากกว่าสามครั้งเสียด้วยซ้ําไปบางคนกินได้ทั้งวันทั้งคืนอันนี้แหละยิ่งกินมากก็สแสดงยิ่งหิวมากยิ่งอยากมากก็คือใจใจมันหิวไม่ใช่ร่างกายมันหิวร่างกายมันเหลาพอแล้วมันจะเป็นตุ่มแล้วก็ยังยัดที่มันเข้าไปยัดเข้าไปไหนจนกระทั่งมันพองขึ้นมากลายเป็นกลายเป็นตุ่มขึ้นมา อันนี้เป็นเพราะว่าให้อาหารผิดคนคนที่จะให้ก็คือใจแต่ไปให้ร่างกายร่างกายมันมีพอแล้ว ม, ม, มันไม่หิวแล้วร่างกายบอกไม่ไหวแล้วหมอห้ามแล้วหมออยากกินหมอบอกอยากกินมากเดี๋ยวความดันขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวไขมันขึ้นเดี๋ยวน้ําตาลขึ้นเดี๋ยวโรคนั้นโรคนี้ตามมาขนาดหมอห้ามหมอเตือนหมอให้ใบเหลืองแล้วก็ยังไม่ฟังยัง ยังกินต่อไปอนในที่สุดก็ต้องเข้าโรงพยาบาลไป <S <S อันนี้เพราะเราให้อาหารผิดคนเราควรจะให้อาหารกับใจไม่กลับไม่ให้กลับไปให้กับร่างกายที่ไม่ต้องการอาหารมากกว่า น, นี้มากเกินไป นี่หละคือเป็นความเข้าใจผิดเราเข้าใจผิดเราคิดว่าร่างกายกับใจเป็นคนเดียวกันไงถ้าใจไม่สบายก็กินมันเยอะๆกินเข้าไปแล้วมันจะหายจากความไม่สบายใจมันก็หายเดียวๆหายชั่วคราวเท่านี้เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่เพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีให้อาหารไม่รู้ว่าอาหารของใจคืออะไร ถ้าเราไม่ได้มาวัดไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ศึกษาพระธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านีเราจะไม่รู้เรื่องใจของเราเลยเราจะไม่รู้ความต้องการของใจเราว่าเราใจเราต้องการอะไรบ้างเราจะรู้เพียงอย่างเดียวว่าร่างกายต้องการอะไรแล้วเราต้องคอยให้มันอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่บางทีมันให้มันมากจนเกินไปมันก็ยังให้อยู่นั่นแหละเสื้อผ้านี้มีกี่ชุดแล้วถามจริงๆเย รองเท้ามีกี่คู่แล้วเท้าเรามีกี่คู่เวลาเราเดินเราเดินกี่เรามีกี่เท้ากันเราก็มีแค่สองเท้าเราไม่ใช่เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่มีสี่เท้าเราจะต้องมีรองเท้าสองคู่เรามีมีขามีเท้าคู่เดียวเราก็ใส่รองเท้าคู่เดียวแต่เรามีกลับไปมีรองเท้าไม่รู้เป็นสิบสิบคู่เลยหรือบางคนก็เป็นร้อยคู่ก็มี อันนี้แหละเป็นเพราะความโง่หรือความไม่ฉลาดความไม่รู้ความต้องการของใจว่าต้องการอะไรที่จะทำให้ใจไม่หิวทำให้ใจอิ่มทำให้ใจพอกันไม่รู้กันก็ไปคิดว่าต้องให้ร่างกาย<ม>เห็นอะไรก็เดื<ต>่อเชือนี่มาให้ร่างกายใส่สวยดีนะเชื่อให้ร่างกายนี้ใส่มานี้มีราศีมีสเสน่ห์นะอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วจะคิดว่าจะทาให้ใจมีความสุขขึ้นมนาะ ใจมันก็ยังหิวอยู่นั่นมันก็ยังอยากอยู่นั่นเราก็เลยคอยต้องคอยซื้ออยู่เรื่อยเห็นเห็นอะไรก็อยากได้ขึ้นมาทันทีเพราะเราไม่ได้ให้อาหารถูกคนคนที่หิวก็คือใจไม่ใช่ร่างกายและสิ่งที่จะเป็นอาหารของใจที่จะทำให้ใจอิ่ม น, นั่นก็คือการทาบุญทาทานนี่ในวันหนึ่งเรากินอาหารวันละสามสี่มื้อด้วยกัน ทำไมเราลองไม่ให้อาหารใจวันละสามสี่มือบ้างลองทําบุญทําทานสามสี่ครั้งด้วยกันทุกครั้งที่เรากินอาหารเน่ะเราซื้ออาหารมาเท่าไหร่ร้อยหนึ่งเราก็เอาอีกร้อยหนึ่งไปทําบุญนะมันก็จะได้ความเสมอภาคกันอกายก็อิ่มใจก็อิ่มแต่ถ้ากินแต่ร่างกายอย่างเดียวไม่ให้ใจกินใจก็ยังหิวอยู่นะั่นนี่นไปไม่นานหิวอีกละอยากจะได้ขึ้นมายอยากจะกินอีกละงั้น วิธีที่ถูกที่ควรที่ควรจะทำเท่าเท่าเทียม ก, กันก็คือเราเลี้ยงร่างกายอย่างไรเราก็ควรจะเลี้ยงใจอย่างนั้น <Gore. S 1> ทุกครั้งที่เราให้อาหารกับร่างกายเราก็ควรจะให้อาหารกับใจ <S 2> <S 2> <S ทุกครั้งที่เราจ่ายเงินซื้ออาหารมาเราก็ต้องจ่ายเงินซื้อไปทำบุญเท่าๆกันซื้ออาหารซื้ออาหารมูนี้200อเอาเงินอีก200ไปทำบุญทำทานให้อาหารกับใจ ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วรับรับประกรันได้ว่าใจจะอิ่มใจจะไม่หิวเราจะไม่สร้างความอยากที่เป็นอยู่อย่างในขณะที่เป็นอยู่ในขณะนี้ความอยากของเรานี่มันเกิดจากความหิวของใจแล้วก็ไม่รู้ว่าใจหิวอะไรกลับไปคิดว่าใจอยากได้สิ่งที่เราเห็นแล้วเราชอบก็เลอคิดว่าสิ่งนั้นจะทำให้ใจมีความอิ่มมีความสุขแต่มันอิ่มเดียวเดียวสุขเดียวเดียวมันไม่ได้อิ่มนานเหมือนกับ มือนกับเวลาที่เราให้อาหารกับร่างกายถ้าเราให้อาหารกับร่างกายเนี่ยวันละครั้งเดียวมันก็อยู่ได้เป็นยี่บสี่ชั่วโมงนะเพราะพุทธเจ้ากับพระสงฆ์สาวกของพระเจ้านี้ยินอาหารวันละมื้อเท่านั้นเองร่างกายของท่านอยู่ได้ยี่บสี่ชั่วโมงไม่ต้องมากินวันละหลายหลายรอบที่กินหลายๆรอบเขาใจหิวไม่ใช่ใจไม่ใช่ร่างกายหิวร่างกายถ้าได้กินอาหารมื้อหนึ่งเด แล้วมันก็พอพอเพียงที่จะอยู่ได้ตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงหนึ่งวันกับหนึ่งคืนใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารไม่หิวเพราะใจของท่านมีบุญท่านทําบุญอยู่เรื่อยๆท่านมีเงินมีทองเท่าไหร่ท่านเอาไปบริจาคหมดพระพุทธเจ้ามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่ไหนไม่มีได้เงินได้ทองมาเท่าไหร่ก็เอาไปแจกเอาไปทําบุญไปหมดใจทังท่านจึงไม่หิว ท่านถึงกินอาหารวันละมื้อได้อย่างสบายร่างกายก็พอเพียงได้กินอาหารวันละมื้อร่างกายก็อยู่ได้อย่างสบายไม่มีปัญหาไม่มีโรคอ้วนไม่มีปัญหาอะไรต่างๆตามมาถ้าเราอยากจะดูแลใจของเราเท่ากับที่เราดูแลร่างกายของเราเราก็ต้องให้สิ่งที่เวลาเราให้อะไรร่างกายเราก็ต้องให้สิ่งนั้นกับใจน ถ้าเรากินให้อาหารกับใจเราก็ต้องให้อาหารกับร่างกายเราก็ต้องให้อาหารกับใจทุกครั้งที่เราไปซื้ออาหารดูซิเท่าไหร่ถ้าราคาอาหารมื้อนี้200โอเคเดี๋ยวโอนเงิน200ไปทําบุญวัดหรือทำบุญกับที่ไหนก็ได้โอนเงินให้พ่อให้แม่ก็ได้เป็นการทําบุญทําทานเหมือนกันทําแล้วมันจะทําให้ใจเราอิ่มด้วยอิ่มกายอิ่มใจ แล้จะไม่กินมากเราเชื่อได้บางทีกินวันละมื้อก็อิ่มนะเห็นกับข้าวกับปลาเห็นอะไรแล้วมันจะรู้สึกเฉยเฉยถ้าใจอิ่มนะแต่ที่มันหิวมันไม่ใช่ร่างกายหิวใจมันหิวเพราะใจมันไม่มันไม่ได้อาหารพอเห็นอาหารพอเห็นอะไรขึ้นมาก็หิวก็อยากจะกินเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆวันเาวันหนึ่งกินกี่มื้อสามื้อเหรอค่าอาหารเท่าไหร่สามมื้อลองบวกลบคูณหารดูแล้วก็อ่า เอาไปทาบุญเท่าล้เท่าเท่ากับเงินที่เราจ่ายให้กับร่างกายอย่างนี้แหละถึงจะเป็นการดูแลเท่าเทียมกันแล้วจะทำให้ร่างกายกับจิตใ จ, จนี้อยู่อย่างสมบูรณ์<ม>ตอนนี้มันอยู่แบบตะแคงอิ่มอิ่มีพมันที่ร่างกายแต่ผอมผอมแห้งแรงน้อยคือใจใจนี้ถทาจะไม่มีกำลังเลยบางวันบางใจบางวันนี่เกินขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยท้อขึ้นมาแล้ว มันมีกาลังจิตกำลังใจที่จะทาอะไรที่จะอยู่ไปแต่ร่างกายนี่สมบูรณ์อาหารเต็มท้องเต็มปากตลอดเวลาเราดูแลไม่เท่าเทียมกันพระอาจารย์จึงต้องสอนว่าเราต้องมาดูแลจิตใจของเราด้วยหาปัจจัยสี่ให้มันเท่าเทียมกันเราเราหาปัจจัยสี่คืออาหารให้กับร่างกายเท่าไหร่เราก็ควรจะหาปัจจัยสี่ หาอาหารให้กับร่างกายเท่าเท่ากันหรือว่าวันอย่างนี้เราใช้ค่าอาหารไปเท่าไหร่ห้าร้อยบาทเราก็ต้องใช้ห้าร้อยบาทไปทําบุญอย่างนี้แล้วเราประกันได้ว่าใจจะไม่ค่อยหิวไม่ค่อยหิวกับอะไรไม่ค่อยหิวกับเสื้อผ้าข้าวของที่ไม่จําเป็นะจะหิวแต่เฉพาะเวลาที่มันมีของจําเป็นที่มันขาดแคลน เช่นเสื้อผ้ามันหมดใส่ไม่ได้มันคับเกินไปหรืออะไรเราค่อยไปซื้อเสื้อผ้าหมา่แต่ถ้ามันยังใช้ของเก่าได้อยู่มันก็จะไม่รู้สึกจำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินเสียทองเสียเวลากับการไปซื้อเสื้อผ้าใหมา่มาทำไมแต่เมื่อเสื้อผ้าเก่ามันก็ทำหน้าที่ของมันได้ได้สมบูรณ์นี่คือวิธีการให้อาหารของใจเราต้องทาบุญทาทาน ให้เท่าๆกับการที่เราให้อาหารกับร่างกายแล้วความอยากต่างๆของใจเราจะมีน้อยลงไปเห็นอาหารเห็นเครื่องดื่มอะไรถ้ายังไม่ถึงเวลากินมันจะไม่หิวมันจะไม่อยากได้แล้วมันจะสามารถรักษาสวดส่งของร่างกายได้อย่างสวยงามไม่ต้องไปเสียเงินไปจ่ายค่าลดลดลดน้ําหนักหรือไปทํา กายภาพเข้าฟิตเหนือยอะไรวิ่งให้เหนื่อยไปเปล่าๆยิ่งเหนื่อยแล้วก็กลับมาก็ยิ่งหิวอีกก็อยากกินเพิ่มขึ้นไปอีกถามคนว่าไปวิ่งกลับมาแล้วน้ําหนักเป็นยังไงน้ําหนักลดไหมไม่ลดหรอกเพราะกลับมาก็หิวก็อยากจะกินอีกมันที่มันที่มันน้ําหนักมากเพราะมันกินมากไม่ใช่เพราะมันไม่ได้ออกกําลังกายถ้ากินน้อยมันไม่ต้องไปออกกําลังกายหรอกไม่ต้องไปวิ่งให้มันเหนื่อย มันเมื่อมันไม่มีล้าหนักไม่มีของเข้ามันจะมันจะทําให้ร่างกายมันหนักขึ้นมาได้ยังไงเพราะเราคอยเอาแต่ของเข้าอย่างเดียวของออกเราไม่ค่อยเอามันออกอะไรมันก็เลยเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆเพราะใจขาดอาหารปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ขาดการทําบุญทําทานอไม่เชื่อลองไปทําดูแต่อย่างที่บอกตรงนี้เราให้อาหารร่างกายเท่าไหร่เราก็ให้อาหารกับใจเท่านั้นดูทุกวันลองทําบุญแบบเราทําบุญกับ การให้อาหารของร่างกายให้อาหารกับใจเท่ากับการให้อาหารของร่างกายเดียวรับรองได้เดือนหนึ่งนี้เห็นผลเลยใจเราจะมีความสุขจะไม่ค่อยหิวไม่ค่อยอยากได้อะไรเท่าไหร่ไม่อยากจะไปเที่ยวที่ไหนที่นั่นที่นี่เพราะมัมีความอิ่มใจสุขใจจากการทําบุญอยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขถ้าเราจะประหยัดเงินได้มากกว่าเสียด้วยซ้ำไปเพราะส่วนใหญ่ที่เราหมดไปเนี่ไม่ได้หมดเพราะใช้กับของจําเป็นนะ ใช้กับของอยากคิดว่าจะทําให้ใจเราอิ่มถ้าเราได้ทําตามความอยาก<ม>ไปเที่ยวกันอย่างนี้ใช้เงินทีเท่าไหร่<ม><ม>หรือไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่มีราคาแพงๆของหรูหราของแบรนด์เนมอย่างนี้ซื้อมาทำไมมันก็มันก็ทาหน้าที่เหมือนกับของที่ไม่ใช่เป็นแบรนด์เนมของที่ไม่ใช่เป็นของหรูหราแล้วมันก็ไม่จาเป็นจะต้องซื้อเพราะมีอยู่มากพอแล้ว แต่ที่มันต้องซื้อเพราะมันหิวใจมันหิ ว, ใ จ, หวใจมันขาดอาหารกาดการทำบุญทำทานไม่เชื่อลองไปทำดูเิวันนี้เราใช้ค่าอาหารเท่าไหร่เราเอาค่าอาหารนั้นไปไปเท่ากับค่าอาหารนี้ไปทำบุญทำทานดูจะให้ใครก็ได้จะไปทำบุญในลักษณะไหนก็ได้จะไปทำบุญด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ถ้าเราชอบปล่อยนกปล่อยปลาไปถายโค ถ่ายชีวิตวัวควายก็ได้หรือทำบุญกับพ่อกับแม่ก็ได้อยากจะให้พ่อแม่มีความสุขเราก็เอาเงินเอาทองหรือเอาของที่พ่อแม่ขาดแคลนของที่จำเป็นให้กับพ่อแม่ไปหรือไปซื้อของที่มาบำรุงรักษาร่างกายของท่านคนแก่จะต้องการอาหารพิเศษที่อาหารธรรมดาอาจจะไม่สามารถทำหน้าที่ได้เราก็หาอาหารพิเศษไป ตอบแทนบุญคุณกับพ่อกับแม่ทำบุญกับพ่อกับแม่ก็ได้ไม่เขาว่าทำบุญทำทานนี้ไม่ได้ไหมายควาว่าต้องไปทำที่วัดอย่างเดียวทำกับใครก็ได้ที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนหรือเขามีบุญคุณกับเราเราก็ต้องรู้จักทดแทนบุญคุณกับผู้ที่เขามีบุญคุณกับเราเวลาเราทำแล้วใจของเราจะมีความสุขมีความอิ่มใจขึ้นมา นนี่ลองทําดูเราให้อาหารกับร่างกายเท่าไร่เราก็ลองให้อาหารกับใจเท่านั้นดูเรารับประกันได้ว่าถ้าไม่มีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงใจอย่างใดนี้ให้มามาบอกเราได้แต่เรารับประกันได้ว่ายิ่งทํามากเท่าไหร่ยิ่งอิ่มใจมากขึ้นไปทางมีคนเขาทํากันมาเยอะแล้วเขาทําไปแล้วเขามีความสุขใจอิ่มใจแล้วเขาจะไม่ค่อยหิวไม่ค่อยอยากได้ของฟุ่มเฟือยไม่ได้ ของรูหราของแบรนด์เองอะไรต่างๆเพราะใจเขาอิ่มใจเขามีความสุขอั น, นี้สิ่งที่เราต้องมาคอยดูแลใจก็คือให้หาปัจจัยสี่ให้กับใจเท่าๆกับที่เราหาปัจจัยสี่ให้กับร่างกายให้มันมีพอเพียงอันนี้ปัจจัยสอันแรกก็คืออาหารอันที่สองก็คือเครื่องนุ่งหม่มใจถึงแม้ว่าจะไม่มีรูปร่างหน้าตา แต่ใจก็ยังต้องการเครื่องนุ่งห่มเหมือนกับร่างกายยิ่งแต่ว่าเครื่องนุ่งห่มของของใจที่จะมารักษาปกป้องภัยอันตรายที่จะมากระทบกับใจนี้มันไม่เหมือนกับเสื้อผ้าของร่างกายเท่านั้นเองเสื้อผ้าของใจก็คืออะไรก็คือการมีศีลนี่ศนะีลนี่นเป็นเครื่องที่จะรักษาใจไม่ให้ภัยคุกคามเพราะใจนี้ก็มีภัยเหมือนกับมีร่างกายมีภยัย ร่างกายมีภัยจากสัตว์ร้ายจากคนใจอธรมหิตเนี่ยจากอากาศที่รุนแรงร่างกายก็มีภัยภัยที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้กับใจคืออะไรก็คือการกระทําบาปนี่การกระทําบาปการเสพอบา ย, ยมุขเป็นตัวที่จะมาสร้างเป็นภัยต่อจิตใจทําบาปแล้วจะทําให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมา ไม่เชื่อลองสังเกตดูเวลาวันไหนเราโกหกดูโกหกแล้วใจเราจะสบายหรือไม่สบายเวลาที่เราไปลักทรัพย์ของคนอื่นดูเวลาที่เราไปประพิตผิดประเพณีดูเวลาเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดูทําบาปแล้วใจของเราจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแล้วความทุกข์ความไม่สบายใจนี่แหละ จะกลายเป็นอบายต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วดวงวิญญาณของใจก็จะกลายเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นนรกบ้างเพราะการกระ ท, ทําบาปเพราะว่าไม่มีเสื้อผ้าอภรณ์ไว้ป้องกันเหมือนกับร่างกายที่มีเสื้อผ้าอภร์ไว้ป้องกันป้องกันภัยถ้าใจมีศีลแล้วใจจะปลอดภัยถ้ารักษาศีลห้าได้ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่ดื่มของมึนเมาต่างๆของมึนเมานี้เรียกว่าเป็นอบายยมุกอบายยมุกที่จะทําให้ไม่มีสติขาดสติพอเวลาไม่มีสติแล้วเวลาคิดจะทําบาปมันก็จะทําง่ายแต่ถ้ามีเวลามีสตินี้เวลาคิดจะทำบาปนี้จะไม่ค่อยกล้าทํากันเท่าไหร่เพราะมีสติรู้ว่าไม่ดีทําบาปแล้วไม่ดีจะไม่กล้าทํากัน แต่เวลาเกิ like anyway, ดอาการมึนเมาแล้วจะไม่รู้สึกตัวว like <oh: <oh:, ่ากำลังจะกำลังจะไปทำบาปก็จะกล้าทำบาปอย่างง่ายได้พระเจ้าจึงต้องสอนให้นอกจากไม่ทำบาปแล้วต้องไม่เสพสุรายาเมาด้วยที่เป็นอบายมุกที่จะทำให้ขาดสติขึ้นมาที่จะผลักดันให้การกระทำบาปนี้เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นถ้าเรามีสีที่เท่ากับเรามีเสื้อผ้าผอมของใจ ใจจะสวยงามก็อยู่ที่เสื้อผ้าผ่อนด้วยจะปลอดภัยก็อยู่ที่เสื้อผ้าผ่อนของใจก็คือการมีศีลปลอดภัยจากอะไรปลอดภัยจากการไปเกิดในอบายการที่เรามีสัตว์เดรัจฉานมีดวงวิญญาณที่เป็นเปรตเป็นผีนี่ก็เป็นเพราะพวกนี้เขาไม่ได้รักษาศีลกันเขาถึงมาเป็นเปรตเป็นผีมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกัน แต่พวกที่เขามีศีลนี้เขาไม่มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาไม่มาเป็นเปรตเป็นผีเขาจะไปเป็นเขาจะไปเป็นเทวดากันหรือเขาจะไปเป็นมนุษย์กันเวลาร่างกายนี้ตายไปพบต่อไปของเขาจะไม่ไปไปไปไปในอบายจะไม่ไปไปเกิดเป็นเดรัจฉานจะไม่ไปเกิดเป็นเป็นเปรตเป็นผีเป็นอะไรกันต่างๆเพราะเขามีเสื้อผ้าพรของใจคือศีล ไว้ปกป้องรักษาใจของเขาให้อยู่อย่างปลอดภัยนั่นเองแล้วนอกจากปลอดภัยแล้วยังทําให้ใจเขาสวยงามด้วยใจนี้สวยสวยสวยด้วยอะไรสวยเพราะเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือว่าสวยด้วยความมีศีลธรรมเวลาเราครบคนนี้เราชอบใครชอบคนโกหกหรือชอบคนไม่โกหกชอบคนซื่อสัตย์หรือชอบคนไม่ซื่อสัตย์ คนมีศีลจะเป็นคนที่ไม่โกหกจะเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงจะไม่ทําร้ายผู้อื่นจะไม่ฆ่าผู้อื่นจะไม่เอาทรัพ ย, ย์ของผู้อื่นจะไม่ไปแย่งขัวแย่งเมียของผู้อื่นเนี่ยคนเหล่านี้เป็นคนที่น่ารักเวลาเราครบหาคบค้าสมาคมไทยพอเรารู้ว่าคนนี้ไม่มีศีล น, นี้เราก็จะไม่อยากจะคบด้วยแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาจะมาทําร้ายเราหรือเปล่ามันดีคือดีเกิดเราเผลอไป เขาอาจจะมารักทรัพย์ของเราไปก็ได้หรือมาแย่งสามีแย่งภรรยาของเราไปก็ได้เพราะเขาไม่มีศีล<ม>เขาไม่มีความสวยงามทางด้านจิตใจถึงแม้เขาอาจจะสวยงามหล่อเหลาทางด้านร่างกายแต่อย่าให้ความหล่อเหลาความสวยงามทางร่างกายมาหลอกเราอันนั้นไม่ใช่เป็นความสวยงามที่แท้จริงความสวยงามที่แท้จริงอยู่ที่ใจ ถ้าใจสวยแล้วใจจะไม่เป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรานอันตรายกับใครทั้งสิ้นคนมีศีลยังเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีคนรักมีคนชอบถึงแม้ว่าร่างกายหน้าตาของเขาจะขี้เหร่ก็ตามแต่คนก็ยังเข้าหาอยู่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้านี้หน้าตาขี้เหร่หัวลนทั้งนั้นแต่ทำไมถึงมีคนเข้าหาอยู่เรื่อยเพราะท่านมีเสน่ห์ทางใจท้ามีศีลมีศักดิ์ท่านไม่โกหกหลอกลวงใคร แล้วก็ท่านทำคุณทำประโยชน์ไม่ทำร้ายไม่สร้างความเสียหายไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครนี่คือสิ่งที่เราควรจะหามาให้กับใจวันนี้พูดสองเรื่องคือเรื่องเสียน เ, เรื่องเรื่องอาหารของใจคือการทำบุญทาทานเรื่องเสื้อผ้ า, าพรก็คือก็คื อ, อก็คือการรักษาสิ่ ้ที่อยู่อาศัยพูดสั้นๆก็คือการเข้าสมาธินี่แหละสมาธิเนี่เป็นที่หลบภัยของใจเวลาใจวุ่นวายเครียดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเข้าสมาธิได้ใจจะสงบเย็นหายหายเครียดหายทุกข์แล้วถ้าเวลาไม่เวลาไม่ได้เข้าสมาธิแล้วเกิดจะเกิดอาการเครียดไม่สามารถเข้าสมาธิได้ก็หายามารักษาได้ยาของใจก็คือปัญญา ปัญญาจะสอนว่าความเครียดนี้เกิดจากความอยากถ้าหยุดอยากได้ความเครียดก็จะหายไป น, นี่คือปัจจัยสี่ของของใจที่เอามาฝากท่านให้ท่านมาดูแลใจบ้างในวันพระนี่เป็นวันที่เราควรจะมาหาปัจจัยสี่ให้กับใจห า, าหารด้วยการทําบุญทำกานหาเสื้อผ้ า, อาพอได้ด้วยการรักษาศีล หาที่อยู่อาศัยด้วยการมาฝึกสมาธินั่งทําใจให้สงบหายารักษาโรคเครียดของใจด้วยการฟังเทศฟังธรรมศึกษาพระอริยสัจสีศึกษาใจหลักณถ้าเราเข้าใจหลักอริยสัจสีเข้าใจหลักใจหลักแล้วเราจะมีธรรมโอสถมียาที่จะมากําจัดความเครียดต่างๆที่เกิดจากความอยากของเราให้หายไปทาให้ใจเหล่านี้อยู่เป็นปกติสุขไปตลอดนี้ก็คือเรื่องราวของ ของวันพระที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนอยะถ า, าวาเลวาหาปุราปะลิปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตชินังเปตานาังอุปกาปะติ อิชิตังสัทชิตังคุมหังทิตตเมวสนิจฉะตุสัพเพปุเรนตุสังกตปาจันโทปณะระโสยธานานิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพะโรโขวินาสตุมาเตภวัตวันตารายสุขีทีขายุโกภวะ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 เป็นช่วงเดียวที่เหมาะสะดวกที่สุดเพราะหลังจากที่เราเริกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กลาบนามสการพระอาจารย์เช้าค่ะ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมนานาคุติทางเฟ e บุ๊ก479ท่านทางยูทู e 335ท่านทางยูทู u ด็อกเตอร์วีชาแนล35ท่า น, าานคลับเา9ท่านวิทยุออนไลน์12ท่านนาคุติ108ท่านรวมทั้งหมดเป็น978ท่านเจ้าค่ะ มีคําถามจาก Facebook เจ้าค่ะจากคุณอัจชารากราบนิมิตการเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับการทําบุญทําทานแล้วเราอุทิศส่วนกุศลที่เราทําให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วหลายๆคนบุญที่เราทําจะหมดไปหรือไม่เจ้าคะหรือบุญที่เรายังทําอยู่กับเราเต็มร้อยเหมือนเดิมกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะ ส่วนที่อยู่กับเราก็อยู่กับเราแต่ไม่เต็มร้อยเพราะเราต้องแบ่งให้เขาไปส่วนนั้นแต่เราจะได้ส่วนใหม่เราจะเราจะได้บุญที่เกิดจากการอุการอุทิติทมีมาเพิ่มเติมให้<ม>ก็เหมือนกับจะได้เต็มร้อยอยู่ดีเั้นบุญที่เราทำนี้ไม่หมดเพราะเราอุทิศไปทั้งหมดไม่ได้บุที่ได้เป็นเพียงบางส่วนเพราะมันอาจจะเป็นทางไกลหนขัขนส่งมันลำบาก ส่งของทางไปรษณีย์นี่อย่างได้อย่างมากก็ใส่เงินใส่ซองไปนั้นได้แต่จะใส่กล่องใส่้นเนี่ยอาจจะมันอาจจะยากกว่าก็เ<ม><ม>ลยอุทิศได้บางส่วนบางส่วนส่วนที่ไม่อุทิศไม่ได้ก็เป็นของเราเพราะเราก็ต้องการบุญเหมือนกัน เจ้าค่ะต่อไปเป็นคำถามจากคุณกนกวันอันตราโลกเจ้าค่ะขอโอกาศเจ้าค่ะวิญญาณคุณตายแล้วเช่นพ่อแม่พี่น้องสามารถมาสิ่งเรากินแทนได้ไหมเจ้าคะคืออาหารบางอย่างที่ไม่ชอบกินแต่กลับกินเหมือนพี่ชายที่ตายไปแล้วค่ะเจ้าค่ะไม่ได้หรอกไม่มีใครสิง ใ, ใจของเราได้นอกจากกิเลสที่มันมาสิง ใ, ใจเราเง มันเหล่าว่าเป็นนู่นเป็นนี่ความจริงก็คือกิเลสมันอยากกินนูน่นกินนี่ก็ไปอ้างว่าดวงวิญญาคณนาคนนั้นคนนี้เข้ามาสิงไม่มีหรอกคําสิงไม่ได้สิงได้ก็ดีเอาเอาดวงวิญญาณพระเจ้ามาสิงใจพวกเราทั้งหมดเลยนะจะได้เป็นนิพพานไงไปทั้งหมดเลยคำถามต่อไปจากคุณกัญญภาเจ้าค่ะการอยู่แบบปกติสุขต้องปฏิบัติอย่างไรเจ้าค่ะ รักษาศีลอย่าไปทำบาปทำกรรมแล้วทำบุญทำทานตามกำลังไปมีมเวลาว่างก็ฝึกนั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมไปที่คือการอยู่แบบปกติสุด ข, ของชาวพุทธเราไม่ใช่เป็นเล่นเส้นแรงเป็นกาตามบาโกโก้ต่างๆ <c oughs> <c oughs> ข้าบ่อนเข้าซส่องไม่ใช่ น, นี้ไม่ใช่เรืการดำน น, น, นชีวิตที่ปกติก็เรียกว่าผิดปกติ ใช่ค่ะมีคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเจ้าค่ะสามีชอบไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นนอกบ้านแล้วเราพิจารณาว่าเป็นกรรมไม่ดีของเขาสักวันเขาก็จะได้รับผลแห่งกรรมนั้นพิจารณาแบบนี้แล้วเราก็ไม่เกิดความทุกข์ใจจากการพิจารณาแบบนี้เป็นการใช้ปัญญาทางธรรมหมาเจ้าค่ะถูกต้องถ้าทําได้ก็ถือว่าเก่ง เป็นผู้หญิงน้อยคนที่จะทําใจได้เวลาเวลาแฟนไปมีอะไรกับใครถ้าทําได้ก็ถือว่าเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาคําถามจากคุณแฟรงเจ้าค่ะการเล่นหุ้นบาปไหมครับก็แล้วแต่ว่าเราเล่นแบบเล่นแบบเป็นการธ น, นันเล่นเล่นแบบเป็นการลงทุนเป็นการลงทุนก็เป็นการทํามาหากินตามปกติก็ไม่บาป ไม่เป็นอบายอยมุกแต่ถ้าถ้าเล่นเกณฑ์กาไรแบบเล่นการพนันนี้ก็อาจจะเป็นอบายอยมุกได้อาจจะทำให้เราล่มจมได้แต่ไม่บาปเพียงแต่ว่าไม่ใช่เป็นการธรรมากินที่ถูกที่ควรไม่เป็นสามาชิว เจ้ า, าค่ะคําถามที่สองจากคุณแฟรงเจ้าค่ะผู้เป็นโสดาบันสามารถฝากเงินกับธนาคารและทําประกันได้ไหมครับเพราะธนาคารและบริษัทประกันปล่อยเงินกู้และลงทุนในบริษัทที่ทําผิดศีลครับเออได้เรื่องเรื่องของบริษัทของธนาคารก็เรื่องของเขาไปเรื่องของเราเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปทําก็แล้วกันสมัยนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เอาเงินฝากธนาคารไม่ได้เลย เธนาคารเขาไปปล่อยกู้ให้กับใครก็ไม่รู้ใช่ไหมงั้นถ้าเราไปได้นอกจากธนาคารเขแสดงว่าเรามีส่วนร่วมอันนี้มันไกลเกินไปอยากไปคิดมากขนาดนั้นถ้าคิดขนาดนั้นก็ทำอะไรไม่ได้คํถาถามต่อไปจากคุณหนึ่งหรือไทยบัวหลวงเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอสอบถามว่าทําอย่างไรให้มีสติตลอดเวลาคะ และจะทราบได้อย่างไรคะว่าขณะนั้นๆเรามีสติอยู่กับตัวก็มีพูโทโธหรือไม่ไงถ้ามีพุโทโธก็สแสดงว่ามีสติถ้าพูโทโธหายก็สแสดงว่าสติหายไปเพราะพูโทโธเป็นตัวสร้างสติขึ้นมาคำถามจากคุณนั ก, กรบกองทำกองทัพธรรมเรียนถามพระอาจารย์เวลาผมภาวนาดูลมหายใจเข้าออก รู้สึกว่าลมหายใจเบาเหมือนลมไม่มีเพียงแค่นี้สามารถจเจริญวิปัสสนาได้หรือไม่ยังยังเนะยังไปไม่ถึงยังไม่ถึงสมาธิทาให้มันถึงสมาธิก่อนเหมือนนั่งรถไฟยังไม่ถึงป้ายอย่าเพิ่งลงอย่เพิ่งลงไปรอให้รถไปถึงป้ายจอดให้นิ่งก่อนแล้วค่อยลงจากรรถแล้วค่อยไปทําอะไรต่อทำทำสมาธินี่ต้องทำให้ใจนิ่งสงบก่อนนิ่งสงบแล้ว พอใจออกจากความสงบมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วค่อยไปเจริญทางปัญญาต่อไนดะ้ไปพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาอาการสามสิบสองเพื่อให้เราเข้าใจความเป็นจริงของร่างกายว่าเป็นอย่างไรเที่ยงหรือไม่เที่ยงสวยหรือไม่สวยน่าดูหรือไม่น่าดู คำถามจากคุณปุ้ยพีหนีเที่ยวกราบเรียนถามพระอาจารย์ผมนั่งสมาธิภาวนาไปเรื่อยแล้วเราจะสามารถเปลี่ยนเป็นการเจริญวิปัสสนาได้เมื่อไหร่ครับสังเกตจากอะไรครับการทำตอนที่เราไม่ได้นั่งสมาธิสิการนั่งสมาธิก็อย่าไปทําทางปัญญาเช่นตอนนี้ไม่ได้เข้าสมาธิก็คิดไปทางปัญญาไนดะ้คิดไปทางใจรักคิดไปทางอริยาาสัจสี่ได้ คำถามจากคุณจอยขอโอกาสถามค่ะวันอทิตย์ช่องหมอวีที่ผ่านมาพระอาจารย์เมตตาตอบคําถามที่มีคนบอกเกิดมาในครอบครัวที่ไม่มีส ม, มาทิฏฐิเขารู้สึกทุกข์ทําให้เขาขอว่าถ้าต้องเกิดชาติอย่าได้เกิดมาพบกันอีกซึ่งพระอาจารย์ตอบว่าในวงเล็บมีต่อค่ะถามอีกแค่นึง ทำไมเหมือนประมาณว่าอ่าคำถามว่าอยู่ตรงไหนนะ ม, มีคำถาม่าอ ...Youtube ของพระอาจารย์เจ้าหากคุณจอยแต่ตัวของคุณจอยเขาอยากจะรู้อะไรอะขอโอกาสถามค่ะวันอาทิตย์ช่องหมอวีที่ผ่านมา พระอาจารย์เมตตาตอบคําถามอันนี้รู้น่นี่คำถามว่าเป็นคืออะไรเลยตอบตอบไอ้คาถามถามมาไม่หมดเจ้าค่ะก็ไม่ต้องตอบใช่ไหมเจ้าค่ะออยาทำตอบได้ไงเจ้าค่ะออยากจะรู้คําถามแล้วเนี่ยยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคมีใครอยากจะถามไหมอันนี้ถามได้นะเดี๋ยวาพอแล้วปุ๊บ อ, อยากเข้ามาถาม เ, <c oughs> เพราะว่ามันไม่สะดวกนะพอเลิกแล้วต้องมีการ จัเก็บเข้าของอะไรต่างๆมันก็จะฉุกละหุกนิดหน่ะไม่สงบ ก, การคุยธรรมะทั้งคุยในขณะที่มันสงบนิ่งไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเฉะนั้นถ้ามีการทํานู่นทำนี่แล้วมันจะมารบกวนการถามตอบคําถามทำนั้นไม่ได้อาธรณ์มีคําถามเจ้ า, าค่ะจากคุณปัทถ a w a ถ้ารักษาศี่ห้าจะเกิดเป็นอะไรคะถ้าไม่ได้รักษาสี่ห้า ถ้ารักษาสี่ห้าเจ้าค่ะก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปใช้กรรมในอาบายเหมือนถ้าเราไม่ไม่ทําผิดกฎหมายเราก็ไม่ติดคุกเราก็ไปบ้านเราได้เลยถ้าเราเดินทางไปบ้านก็ไปเลยแต่ถ้าไปทําผิดกฎหมายเดินทางกลางทางตำํำรวจก็อาจจะจับเราไปทังคุกก่อนก็ได้เจ้าค่ะมีคําถามจากพี่ขวัญยามวันนี้ดีที่สุดกลับนมัสการค่ะ ดิฉันเป็นหมอดูบาปไหมคะดูถ้าดูจริงก็ไม่บาปถ้าดูไม่จริงก็บาปเพราะเป็นการโกโหกหรอกลวงใช่ไหค่ะจากคุณแฟฝงค่ะสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะแตกต่างกันอย่างไรครับทิฏฐิคือความเห็นเป็นความเห็นว่าอันตัวนี้เป็นหมาอันตัวนี้เป็นแมวอันนี้เรียกว่าทิฏฐิมีความเห็น ส่วนถ้าสัมมาสังกปะก็ไปคิดว่าหมาตัวนี้น่ารักนะมาแมวตัวนี้น่ารักอย่างนี้เรียกสัมมาสังกโปสังกปะคือความคิดทางคิดกับความเห็นยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคอเข้ามาได้จ้ะเดี๋ยวส่งมาใไปหนะ่อยคุณทุตโตได้รับไปไหน่อย ครับนมาส ก, การค่ะพระอาจารย์หนูอยากจะขอคําแนะนําพระอาจารย์นะคะสำหรับชาวพุทธที่บูชาพญานาคอะคะ่ะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ช่วยชี้ทางสว่างให้ด้วยค่ะ<ม>ตอนนี้คนบูชาเยอะมากเลยค่ะเป็นบูชางูทําไมพาหลานพระพุทธเจ้าไม่บูชาเป็นบูชางูของดีของของวิเศษไม่บูชากันเป็นบูชาของต่ํา งูว่าคือสัตว์เดราจฉานเป็นบู๊ไปบูชามันทําไมมันสอนให้เราไปนิพพานไม่ได้มันดับทุกใจเราไม่ได้เราหลงไปคิดว่ามันทำให้นู้นทำให้นี้ให้เราได้ทําไม่ได้หรอกตัวมันเองยังเป็นงูเลยแล้วมันจะมาทําให้เราเป็นมันเราเราเราสูงกว่ามันเสียด้วยซ้ําไปเราเป็นมนุษย์เขาเป็นเดรัจฉานแล้วเราไปบูชาก็ทําไมอยากจะให้เขาดึงเราลงต่ำต่อไปแล้วก็อาจะไปเป็นงูงูเหมือนเขาเลย ถ้าบูชาพญานาคต่อไปก็ไปเป็นพญานาคถ้าบูชาพระพุทธเจ้าก็ต่อไปก็จะไปเป็นพระพุทธเจ้าจะเอาอย่างไรดีเพราะว่าเหมือนตอนนี้ค่ะบางคนก็คือเขาก็จะมีความเชื่อว่าเวลาเขาไปแล้วเขาก็ขอแล้วเขาก็ได้สิ่งที่เขาต้องการโดยเขาก็จะอ้างว่าอพญานาคเนี่ยเป็นผู้ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาค่ะพระอาจารย์กำลังขอไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายดูได้หรือเปล่า ถ้าขอพระเจ้าได้พระเจ้าบอกอยังมาเกิดค่ะพระอาจารย์ก็จะได้จะเจ้าเหนือกว่าพระพุทธเจ้าเหนือกว่าขอทุกอย่างพระพุทธเจ้าให้ได้หมดแต่ขอขอแต่ความแก่ความเจ็บความตายยังขอไม่ได้เลยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายยังขอไม่ได้เลยยังสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะได้มีความแก่มีความเจ็บความตายจะให้ร่ํารวยขนาดนั้นมันก็มันก็ทุกอยู่ดีใช่ไหม แต่โรคมะเร็งแล้วมีเงินร้อยล้านี่จะออนออนออไให้ร้อยล้านแล้วก็ให้โรคมะเร็งเป็นของขวัญด้วยตดตัวมันด้วย <c oughs> ถ้าขอพระพุทธเจ้านี้พระพุทธเจ้าบอกเอาเร้อยล้านไปล้วนๆไม่มีโรคมะเร็งตา ม, มา <c oughs> ไม่ต้องมาเกิดในนิพพานังบรลังสุขขัง ค่ะพระอาจารย์แล้วก็หนูขออีกหนึ่งคำถามค่ะตอนนี้ค่ะก็จะมีอาจารย์แต่ละสำนักค่ ะ, คะเขาก็จะทำของปรัแบบเครื่องรางของขลังเนี้ยค่ะออกมาขายแล้วคนก็จะแห่ซื้อกันเยอะโดยเขาจะใช้คำโฆษณาว่าผ่านพิธีพุทธทาพิเศษคนก็จะเชื่อว่า สิ่งเหล่านี้มันเป็นมงคลเป็นสายขาบูชาแล้วดีไม่เป็นอันตรายอย่างเงี้ยค่ะอยากให้พระอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ<ๆ>เพราะว่าปีใหม่นี้คิดว่าคนน่าจะไปหาบูชากันมาเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ก็อยากจะรู้ว่ามงคลเป็นยังไงก็ไปอ่านมงคลละตรน์ดูมงคลสาสิบแดอันนั้นแหละเป็นวิธีสร้างมงคลที่พูะเจ้าทรงสอนให้ทาถ้าไม่มีถ้าไม่อยู่ในมงคลสาสก็ถือว่าไม่ไม่มงคลให้รู้แค่นี้แล้วค่ะ ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์มีคำถามจากน้ากุฏิเจ้าค่ะถ้ามีครอบครัวทางโลกและจะไปทางธรรมด้วยจะบาปหรือไม่ครับไม่บาปหรอกเวลาไปเที่ยวทางไมไม่บาปเวลาไปบาปไปผับไหนบาปเลยพอจะไปวัดหน่อยกลายเป็นเรื่องบาปขึ้นมาทันทีอะไรก็ไม่รู้ ไปบ๊ายวัดไม่ได้ไปทําบาปไปทําบุญ <S <S ไปบ้าไปผับเนาะไปทำบาป <S <S 2> <S 2> <S 2> คําถามจากคุณชลาลัยเจ้าค่ะกระับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะทํางานเป็นเซลล์ต้องดื่มสซราเป็นเพื่อนลูกค้าแต่ปกติไม่ดื่มดื่มเพราะหน้าที่การงานผิดศีลข้อห้าไหมคะเด็ดดื่มก็ผิดนะสิไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลไกใดก็ผุด ก็เวลาไปเป็นเซลเขาบอกว่าคุณต้องกินเหล้าเราหรือเปล่าใช่ไม้มมันไม่เกี่ยวกันเนะ่ะเราอยากจะกินอยู่แล้วพอเขาชวนก็เลยไปเลยแล้วก็ไม่ชวนต่อให้ต่อให้เทวดามาร่าก็ไม่ไปคำถามจากคุณแฟรงค์เจ้าค่ะเราให้คนยืมเงินไปเลี้ยงปลาดุกขายเราจะบาปไปด้วยไหมครับ ให้เขายืมเงินไปทำอะไรนะเลี้ยงปลาดุกขายเจ้าหาก็บก็เราก็เป็นคนสนับสนุนเขาอ่ะก็ถือว่าก็มีส่วนร่วมแต่ยังไม่อาจจะไม่เป็นบาปอาจจะเป็นสัมมะเป็นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมไ ม, ไม่ไม่ควรไม่ควรไปสนับสนุนให้พูดไปฆ่าพูด ใช่ค่ะคำถามจากคุณจิรรัตบุญเวชกราบนมัสการพระอาจารย์โยมนั่งสมาธิค่ําและเช้าจับได้ว่าตนเองยังติดคิดและยังสละอารมณ์ไม่ได้ขอพระอาจารย์โปรดชี้แนวทางการละอารมณ์ด้วยขอบพระคุณเจ้าค่ะใช้สติพุโทโธเนี่ยท่อพุโทโธไปเวลามีอารมณ์ไม่ดีหรืออารมณ์อะไรก็ตามท่องพุโทโธพุโทโธไปสักพรั้งเดี๋ยวอารมณ์มันก็หายไป อารมณ์เป็นเหมือนอย่างลบที่เราลบกระดานกระดานดำเนี่ยเวลาอาจารย์แนวเรียนสอนหนังสือเขาจะเขียนนู่นเขียนนี่บนกระดานพอเห็นว่าเขียนไม่ดีก็เอาอยางมาลบไปพอใจเราคิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเราก็เอาพุโทโธพุโทโธมาลบได้ใช้พุโทโธเป็นอย่างลบยางลบอารมณ์ในใจของเราอันนี้คนอยากจะถามนีม่ต้องกดใช่ไหมไม่ต้องกดเะไในพูดได้เลยอ่า สวัสดีครับพระอาจารย์ผมจะทำหน่อยว่าถ้าสมมุติว่าเรามีครอบครัวอยู่ทางโลกเรามีลูกแต่เราจะออกไปเป็นอุปสมบทบทยาวเนี่ยบาปไหมครับไม่บาปพระพุทธเจ้าเขาไปมันบาปที่ไหนเป็นแต่ว่าต้องอาจจะขาดความรับผิดชอบถ้าทิ้งเขาให้เขาอยู่อย่ากอดอยากขาดแคลนก่อนจะไปเราก็ต้องทําพินัยกรรมมีทรัพย์สมบัติอะไรก็ยกไปให้เขาหมดนีให้เขาอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่เดือดร้อนเราค่อยไป ถ้ายัางดูแลเขาไม่ครบสมบูรณ์ก็อาจจะต้องรอไปก่อนเตรียมการไว้ก่อนไม่ใช่เพราะต้องอยากจะทําอะไรที่อยากจะทําก็ทําโดยไม่คํานึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เรามีความรับผิดชอบเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวไม่บาปหแต่เป็นการเห็นแก่ตัวเป็นการละปล่อยประละเลยหน้าที่ของตนยังถ้าจะไปบวชบวชได้แต่ต้องเตรียมการไว้ก่อนอมีเงินมีทางมีอะไรให้ลูกเมียเขาอยู่อย่างสุขสบาย ไม่แมเช่นั้นก็หาผัวใหม่เข้าก่อนทำหน้าที่ขอบคุณครับพระอาจารย์อย่างพ่อพระเจา้านี่ท่านรู้ว่าท่านไปแล้วลูกเมียไม่เดือดร้อนมีพ่อมีแม่ ม, มีปู่ย่าตายายเลี้ยงดูต่อ ไม่เดือดร้อนอะไรถ้าก็เลยไปได้แต่ถ้าสมมติเราไปแล้วเขาเราไปเป็นขอทานนี้ก็ยังไปไม่ได้เราไปให้เขาเดือดร้อนจากการกระทําของเราขาดความเมตตาเขาเรียกว่าขาดความเมตตาคำถามจากคุณชาลาไรเจ้าค่ะ กราบนมันสการพระอาจารย์เจ้าค่ะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิฟังธรรมะเป็นบุญที่เราอุทิศให้เจ้ากรรมในวินได้หรือไม่เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะคือพระเจ้าไม่ได้สอนให้อุทิศบุญในการไหว้พระสวดมนต์ให้อุทิศบุญด้วยการทําบุญทาทานนั้นอย่าไปอย่าไปทําในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้สอนเลยเพราะเราก็ไม่ไม่สามารถจะตอบได้ว่าอุทิศได้หรือเปล่าเนื่อง บุที่การจากไหว้พระส่วนหนึ่งแต่พระอรหันต์ท่านจะทําบุญให้กับพ่อแม่ครับท่านยังทาบุญทำทานท่านไม่ได้เอาบุญของข้าอรหันต์ไปไปอุทิศให้กับพ่อแม่อุทิศไม่ได้มันคนละเรื่องกันเชิญค่ะคําถามจากคุณพรเช้าค่ะขอโอกาสครับเราควรทําตามคําโบราณบอกหรือควรทําตามพระพระธรรมคําสอนครับ อา้าวใครคำสอนใครจะแม่นกว่ากันนะใครจดีกว่ากันนะคาสอนใดในโลกนี้สู้คาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เนีย่ยถ้าต้องเลือกระหว่างคําสอนของโลกกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเลือกขอ ง, ของพระพุทธเจ้ามนะันมีประโยชน์กว่ามีคุณค่าเป็นรัตนะเป็นเพชรนินชินดาที่มีคุณค่ามหาศาลพุทธังลัตนาพุทธรัตนะตนะเนี่ยคําสอนอพระเจ้า เชิญค่ะคำถามต่อไปจากคุณสิริชัยกราบเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับรัสังโยชน์สามกำลังไปเจริญปัญญาเพื่อรับสังโยชน์ให้ได้ห้าข้อเราจะรูละเราจะรู้ได้ถ้าเรารักษาไม่ให้เสื่อมใช่ไหมครับไม่ให้เลยนะรักษาไม่ให้เลยนะก็อ่ะ การละสังโยชน์สามกำลังไปเจริญปัญญาเพื่อละสังโยชน์ให้ได้ห้าข้อเราจะรู้ได้ถ้าเรารักษาไม่ให้เสื่อมใช่ไหมครับมันไม่ต้องรักษา้าร่าได้แล้วเป็นรักษามันทาไมถ้าอย่างต้องรักษาก็แสดงว่ายังอย่างละไม่ได้ถ้ารักทารได้แล้วมันก็หายไปแล้วมันจะไม่มายุ่งกับเราค่ะยังไม่มีคำถามเจ้าค่ะ ให้มีก็หมดเวลาพอดีสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านยงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิริศพิเจรณาไปปฏิบัตเพื่อความสุข <c oughs> ความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด